ยญิงชราในห้องสัมผัสสยองสวัสดีครับแฟนๆสัมผัสสยองทุกคนและสวัสดีสมาชิกใหม่ที่เข้ามาฟังครั้งแรกด้วยนะครับ เรื่องนี้ส่งเข้ามาจากทางบ้านโดยเป็นประสบการณ์ของคุณเอ๋ที่ได้พบเจอมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองก่อนที่เราจะมารับฟังกันสำหรับใครที่กดติดตามช่องสัมผัสสยองของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ล่าสุดของเราด้วยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนวันนั้นที่บ้านพ่อสามีเก่าของเอจัดพิธีทาบุญบ้านบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าอายุนับร้อยปีแต่ได้รับการดูแลรักษาและต่อเติมจากลูกหลานบ้านจึงไม่สุดโทมและยังดูใหม่อยู่เสมอบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างถูกต่อเติมด้วยปูน ซึ่งบ้านหลังนี้พ่อของอดีตสามีอาศัยอยู่กับภรรยาใหม่และลูกที่เกิดกับภรรยาใหม่ด้วยกันอีกสองคนเนื่องจากสามวันก่อนหน้านี้มีฝนตกลมแรงและได้เกิดฟ้าผ่าลงมากลางบ้านทำให้บ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้รับความเสียหายแต่ยังเป็นข้อ ด, ดีของคนในบ้านที่ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ดังนั้นทุกคนในบ้านจึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรทำบุญบ้านเพื่อให้เกิดสิริมงคลเพราะเชื่อ ว, ว่าฟ้าที่ผ่านลงกลางบ้านนั้นเป็นคราะร้ายพ่อสามีจึงตราเตรียมนิมนต์พระและหาพ่อครัวเพื่อมาทากับข้าวภายในงานพร้อมทั้งบอกญาติสนิทมิสหายให้มาร่วมงานทำบุญบ้านครั้งนี้และได้ขอให้เอ๋ มาช่วยดูแลแขกเรือภายในงานด้วยพิธีการได้ดำเนินมาเรื่อยๆจนประมาณเกือบสิบโมงเช้าพ่อได้เดินมาบอกกับเอว่าพ่อไม่ทันได้เตรียมซื้อรูปปัน้นช้างม้าวัวควายแบบสมาเร็จมาจากตลาดแต่พ่อมีดินน้ำมันอยู่หนูช่วยปั้นดินน้ำมันเป็นช้างม้าวัวควายอย่างละตัวให้พ่อทีพ่อจะใช้รูปปั้นพวกนี้ ไปไว้ที่สารเพียงตาทำให้พ่อเป็นพิธีไปก่อนนะเดี๋ยวเสร็จงานแล้วพ่อก็จะไปซื้อรูปปั้นสำเร็จมาเปลี่ยนแทนดินน้ามันเองจากนั้นแกก็นำดินน้ามันมาให้เอ๋แล้วจึงเดินไปดูความเรียบร้อยภายในงานตามปกติเอ๋่นำดินน้ามันที่พ่อให้มานั่งปั้นที่เก้าอี้หินนอนซึ่งอยู่ตรงทิศตะวันออกของบ้าน เก้าอี้หินอ่อนนั้นครบชุดมีทั้งโต๊ะและเก้าอี้ตั้งไว้ติดกับผนังบ้านของห้องห้องหนึ่งซึ่งหน้าต่างบานเกรดสีเข้มสามารถมองเห็นด้านในได้เลือนลางหน้าต่างบานเกรดถูกปิดเอาไว้อย่างแน่นหนาเอนั่งปั้นดินน้ำมันให้พ่อหันด้านข้างเข้าหาหน้าต่างบานนั้นเรียกได้ว่านั่งแทบจะติดหน้าต่างบานเกรดเลยก็ว่าได้ เอเร่งมือปั้นดินน้ำมันอย่างขมักขเมนแต่แล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นเงาภายในห้องคล้ายๆกับคนกำลังเดินมาที่บานเกรดเงานั้นเคลื่อนเข้ามาใกลจนหน้าแทบจะแนบกับบานเกรดทำให้เอมองเห็นลักษณะท่าทางได้ชัดเจนว่าเป็นหญิงชราอายุราวๆ8ปดสิบปีเธอผมสัน้นเส้นผมเป็นสีขาวทั้งหัว รูปร่างดูสูงและท้วมใส่เสื้อคอกระเช้าสีชมพูอ่อนแววตานิ่งมาไม่ยิ้มตอบแม้เอจะยิ้มให้ก็ตามเอเห็นหญิงชรายืนมองขณะที่ปั้นรูปปั้นอยู่ครูใหญ่ในความคิดเอตอนนั้นคิดว่าหญิงแก่คนนี้น่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่เคารพนับถือในละแวกบ้านของพ่อ ที่มาช่วยงานบุญตามปกติเอ๋จึงยกมือไหว้และยิ้มให้จากนั้นก็หันกลับมาปั้นรูปปั้นต่อโดยไม่สนใจอะไรพอเหลือบตาไปมองอีกครั้งหญิงแก่ผู้นั้นก็หายไปแล้วพิธีการดำเนินต่อไปจนเสร็จเรียบร้อยตอนนั้นก็เป็นเวลาเย็นแล้วผู้คนต่างพากันทยอยกลับจนหมด เหลือเพียงแต่คนในบ้านและอดีตสามีกับเอเท่านั้นทุกคนต่างเหนื่อยล้าจากการช่วยงานในวันนี้พ่อจึงเรียกให้คนในบ้านซึ่งมีพ่อภรรยาใหม่ของพ่อและลูกที่เกิดกับภรรยาใหม่อีกสองคนรวมทั้งลูกอดีตสามีที่เป็นลูกเกิดกับภรรยาเก่าและเกิดกับเอเอง พ่อเรียกทุกคนให้มานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันก่อนจะแยกย้ายพวกเรานั่งล้อมวงกินข้าวด้วยความหิวและเหนื่อยล้าระหว่างที่กินข้าวก็คุยกันเกี่ยวกับการจัดงานทำบุญบ้านในวันนี้เอได้ถามผู้เป็นภรรยาใหม่ของพ่อซึ่งเอเรียกเขาว่านานกนานกทาไมไม่เรียกยายทวดในห้องมากินข้าวด้วยกันละ่ะ น้าน ก, ก็หันมาแล้วพูดกับเอว่าอ๋อนายกสำรับไปป้อนให้แกเรียบร้อยแล้วแกเป็นอัมาพาตลุกเดินออกมาไม่ไหวหรอกพ่อเอวได้ฟังก็รู้สึกแปลกใจจึงถามต่อว่ายายทวดคนนี้เป็นแม่น้านกเหรอคะน้านกตอบกลับมาว่าไม่ใช่หรอกแกเป็นคนแก่ข้างบ้านไม่มีคนดูแลและเป็นอัมาพาต น้าสงสารก็เลยพาแกมาอยู่ในห้องนี้และคอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำให้นานกชี้ไปที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่เอไปนั่งปั้นดินน้ำมันข้างหน้าต่างบานเกล็ดเมื่อตอนกลางวันเอเริ่มสงสัยว่าถ้าคุณยายในห้องนั้นเป็นอมาพาสแล้วคนแก่ที่เธอเห็นจะลุกมามองที่หน้าต่างได้ยังไงเอจึงถามนานกต่อว่า แล้วยายแก่ผมขาวใส่เสื้อคอกระเช้าสีชมพูอ่อนคนนี้เป็นใครหรอคะนนกนนกทำหน้างงงแล้วถามเอ ก, กลับมาว่าเอไปเห็นคนแก่นั่นที่ไหนเอจึงเล่าเหตุการณ์ที่เห็นตรงหน้าต่างบานเกรดให้นนกฟังนนกรู้สึกแปลกใจมากและบอกกับเอว่าในห้องนั้นไม่มีใครนอกจากยายที่เป็นอมาพาส ถ้าไม่เชื่อให้เอลองเข้าไปดูในห้องแล้วน้านกยังบอกอีกว่าวันนี้น้านล็อกประตูห้องนี้ไว้ตลอดทั้งวันเพราะคนเยอะพลุกพล่านกลัวเด็กเล็กๆจะเปิดประตูเข้าไปเล่นสุขสนจนคนป่วยไม่ได้พักผ่อนแล้วก็จะเปิดเฉพาะตอนเอาข้าวเข้าไปป้อนให้แก่เท่านั้นมีแค่นาคนเดียวที่มีกุญแจเข้าห้องนี้ได้ ไม่น่าจะมีคนไปยืนมองเอ๋ที่บานเก็ดนั้นได้นะแล้วนาโน ก, ก็เปิดประตูให้เอ๋เข้าไปดูภายในห้องนั้นเมื่อเอ๋เข้าไปก็ต้องแปลกใจเพราะในห้องนี้มีหน้าต่างบานเกรดสีดำสนิทที่สามารถมองจากด้านในออกไปข้างนอกได้แต่ถ้ามองจากด้านนอกแล้วจะไม่สามารถเห็นภายในห้องได้เลยและที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นคือ เตียงที่มีผู้ป่วยนอนเป็นอามาพาษอยู่นั้นเป็นยายแก่ตัวผอมผิวขาวซีดผมสีดำสนิทและยาวรุงรังแกนอนหลับตาไม่ขยับขยเรีนหรือตอบสนองใดๆซึ่งต่างจากคนแก่ที่เอเห็นในตอนสายของวันนี้และเตียงที่ผู้ป่วยนอนนั้นก็เป็นเตียงขนาดใหญ่ที่อยู่ชิดติดกับหน้าต่างบานเกรดบานนั้น ไม่มีช่องว่างให้คนไปยืนมองที่หน้าต่างได้เลยทั้งทั้งที่เธอเห็นยิงแก่คนนั้นได้อย่างชัดเจนเอรู้สึกขนลุกไปหมดทั้งตัวเมื่อกลับมาคิดถึงสิ่งที่เห็นในตอนนั้นและคำพูดของนานกที่บอกว่าไม่มีคนสามารถเข้าไปในห้องนั้นได้เลยแล้วสิ่งที่เอเห็นละ่ะถ้าไม่ใช่คนแล้วจะเป็นอะไรกัน See y'all.